Thank mm -hmm. you. ช่วงนี้อากาศร้อนมากนะโดยเพราะตอนบ่ายนี่แดดแรงแรงมากๆนะอุณห ภ, ภูมิก็ประมาณสี่สิบกว่าองศาแต่ถ้าช่วงไหนนะมีเมฆนะความร้อนก็จะลดลงนะอย่างเมื่อวานนะ ตอนบ่ายแก่ๆรู้สึกได้นะว่าอากาศอบอ้าวน้อยลงนะเพราะว่ามีเมฆเมราก็ได้ใสยเมฆกันแล้วช่วยมันเทาความร้อนความอบอ้าวแต่แล้วก็หวังพึ่งพาเมฆไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่มีความแน่นอน แต่ถึงแม้ไม่มีเมฆนะพวกเราที่อยู่ที่นี่นะก็ยังพอได้อาศัยร่มเงาของต้นไม้ต้นไม้ก็ให้ร่มเงาช่วยคลายร้อนได้มากไม่ผิดกับข้างล่างนะในตัวเมืองแก้งครอหรือแม้กระทั่งในหมู่บ้านนะถ้ามาไฟไม่ค่อยมีต้นไม้ละ ถ้าไม่มีพัดลมไม่มีเครื่องปรับากาศนี่ก็ร้อนเผาทีเดียวพวกเราที่สุกโตก็ได้อาศัยร่มเงาของต้นไมนะ้ช่วยคลายความร้อนบางทีก็มีลมพัดมาทำให้เย็นกายแต่คนเราก็ไม่สามารถจะอยู่ป่าหรืออยู่ในร่มเงาของต้นไม้ได้ตลอดนะ บางครั้งก็ต้องออกไปข้างนอกยิ่งเป็นค า, า, ารวาแล้วนี่นะบ้านของเรานะมันก็อยู่ในเมืองบ้างอยู่ในหมู่บ้านบ้างไม่ได้อยู่ป่าเวลาเดินทางนะก็ไม่ใช่ว่าจะมีร่มเงาองต้นไม้ตามติดเอาไปตลอดแต่เราก็สามารถจะบรรเทาความร้อนได้นะ ถ้าเรามีร่มมีร่มติดตัวไปถึงแม้จะไม่มีเมฆไม่มีป่าให้ร่มเงากั่เราแล้วก็อาศัยร่มนี้แล้วนะติดตัวไปร่มนี้มันก็ช่วยกันความร้อนอกันแดดได้อันนั้นเป็นเรื่องของกายคนเราไม่ได้ร้อนกาย หรือว่ามีความร้อนมากระทบกายเท่านั้นนะบางครั้งมันก็มีความร้อนใจแต่เราก็ไม่ใช่ว่ามีอะไรมากระทบใจแล้วใจมันจะร้อนใจมันจะก็เป็นทุกข์ไปได้ตลอดใจเราก็ต้องอาศัยร่มเหมือนกันนะไม่ต่างจากกาย อะไรที่จะเป็นสิ่งที่ให้ร่มเงาความเย็นกับจิตใจก็มีหลายอย่างนะร่มเงาอันนึงก็คือร่มเงาแห่งญาตนะิเรื่องนี้ก็เคยนะมีความเป็นมาในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระเจ้าวิถูถภพณ์นะเป็นโอรสของ พระเจ้าประส enti โกสนสมัยที่ยังเป็นเจ้าชายอยู่เนี่ยมีความเครียดแค้นเพยาบาทวงศักยะมาทั้งที่เป็นเครือญาติกันนะแต่ว่าวิถุดภาณีอาฆาเพยาบาทวงศักยะเพราะว่าไปดูถูกเกียจจามว่าตัวเองเนี่ยมีวันณนะมีเชื้อนะ ของวัณจันทานวรณณสูตรเนี่ยนะเป็นวัรณะต่ําศักยานี่เป็นตระกูลที่ถือเรื่องวัณณะมากเพราะฉะนั้นก็เลยรังเกียดนะวิถุตภะไม่ได้แสดงความรังเกียจอย่างเปิดเผย น, นะหรือว่าตอนหน้าตอนหน้าก็ปฏิบัติ ด, ดีนะวิถุตภะไปเยี่ยม จ่าที่กุลง บ, บิลพัททางศักยะาก็ต้อนรับดีแต่พอวิธุตภะกลับไปพากันเช็ดตรงไหนที่วิฑุธภะนางก็เช็ดเพราะถือว่ามันทำให้เกิดความมัวหมองมีวันนะชั้นต่ำมาสัมผัสก็ถือว่า กำจัดความซวยนะก็ต้องเช็ดถูนะไม่ให้มันมีคราบหลงเหลือวิถุตาภาพตอนหลังก็รู้นะก็เกลียดมากแค้นมากนะพอได้มีอำนาจนี่ก็กลีธาทับเข้าไปเพื่อที่จะทำศึกสงครามเข็นฆ่าพวกศักยะให้หายแค้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อทรงทราบเนี่ยก็ทรงอยากจะห้ามปราม ระหว่างที่วิถุตภพนิกรีธาทับไปจนหนึ่งที่โลงแห่งหนึ่งก็เห็นพระพุทธเจ้าแต่แทนที่พระองค์จะประทับใต้ต้นไม้ก็ประทับน่อยู่ในที่โลง่งวิถุตภพก็ถามทำไมเพราะพพุทธเจ้าจไม่ประทับใต้ต้นไม้แต่มันร้อนพระเจ้าก็ตรัสว่าเนี่ยโรงงาแห่งญาณ น, นะมันเย็นกว่าร่มเ ง, งาต้นไม้สิ พวกผู้ใดๆคิดนะวิตุสภาพก็ฉดคิดขึ้นมาว่าเออยาตพี่น้องนี่เราจะเข็นค่าทำไมนะมันให้ความสงบร่มเย็นนะยินะ่งกว่าร่มเ ง, งาของต้นไม้สิก็เลยเปลี่ยนใจนะชักมากลับกรุงสวัสดีแต่ว่าความแค้นนะของ วิถีตัภาพก็ไม่ได้หายไปง่ายๆนะตอนหลังก็มีความแค้นมีความพยาบามที่เมื่อก็กรีธาทัพเพยผู้เจ้าก็ห้ามอีกครั้งนะลงห้างสามครั้งนะแต่ว่าจะว่าเป็นกรรมก็ได้นะเป็นกรรมของวิถีตัภาพไอ้กรรมนี่มันมันไม่ใช่เป็นกรรมในอดีตนะนะมันเป็นกรรมในปัจจุบันที่ไม่รู้จักหักห้ามนะความโกรธไม่รู้จัก ปล่อยไม่รู้จักวางก็เลยสุดท้ายก็กรีธาทัพไปท้ำบทขยีนะพวกต ว, วงศักยะนะจนพินาศนั่นคือความชิบผายนะของจุดสิ้นสุดนะของวงศักยะไม่เชื่อฟังนะที่พู้เจ้าตรัสว่าเนี่ยโรงงานแห่งจานี้มันเย็นกว่าโรงงานต้นไม้ต่หลังวิถุตภาก็ก็ตายนะหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่นานสืบเนื่องกัน ชีวิตตัวเองกเอาไม่รอดเพราะความเครียดแค้นพยาบาทนอกจากงรคแห่งญาติแล้วเนี่ยเพื่อนก็เป็นโรคเงาได้นะมิตรสหายก็เป็นโรคเงาได้นะซึ่งคนสมัยนี้เขาก็จะไม่ค่อยให้ความสนใจกันละแล้วก็เดี๋ยวนี้มันก็มีอะไรต่ออะไรที่จะทำให้โรคเงาแห่งมิตรสหายนี่มันเลือนรางหายไปมมีเรื่องเล่า ว, ว่า นะตาพาหลานเนี่ยไปทาธุระที่ธนาคารใช้วเวลาเป็นชั่วโมงเลยนะหลานก็หงุดหงิดถามตาว่าทำไมตาเนี่ยนะไม่ติดต่อธนาคารทางอินเทอร์เนต็ตเดี๋ยวนี้มันมีแล้วนะอินเทอร์เนต็ตแบงกิง้งนะติดต่อธุระทางธนาคารด้วยอินเทอร์เนต็ต ไม่ต้องถอสังขารมาถึงธนาคารให้เสียเวลาตาก็บอกหลานว่าไอ้ ม, มาธนาคารก็ดีนะได้มีโอกาสเจอเพื่อนได้มีโอกาสเจอเพื่อนก็ามาทักทายกันคุยกันที่ที่ธนาคารนี่แหละแล้วก็พนักงานธนาคารก็ได้รู้จักกันนะได้โอภาปราศัยกันนะแล้วตาก็เล่าต่อไปนะว่าเนี่ย หลานก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้มันอินเทอร์เน็ตเนี่ยนอกจากไม่ต้องเสียเวลาไปธนาคารแล้วนะจะซื้ออะไรก็สั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตได้นะเช่น a เม z o n เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็มีส่งเ e l i v e r y นะส่งถึงบ้านตาก็บอกว่าเนี่ยการที่ไปซื้อของที่ตัวเองเนี่ยมันก็มีข้อดีนะําไม่ได้รู้จักผู้คนแล้วตาก็เล่าว่าเนี่ย เคยเจ็บเคยป่วยนะก็ไม่มีลูกไม่มีหลานมาเยี่ยมนะเพราะว่าอยู่คนเดียวก็อาศัยเพื่อนนี่แหละที่มาเยี่ยมแล้วเพื่อนเหล่านี้ก็เป็นใครนะบางคนก็เป็นเจ้าของร้านโชว์หวยที่รู้จักกันมานานนะไปซื้อของกับเขามานานก็รู้จักกันเป็นเพื่อนกันเวลาป่วยเขาก็มาเยี่ยมอีกคราวนึงนะ ยายเนี่ยยายนี่ไปซื้อยาที่ร้านตพราะว่าหน้ามืดวิงเวียนเจ้าของร้านยานี่ก็รู้น่ายายเนียอยู่บ้านไหนเพราะว่ายายก็มาซื้อนะของหลายปีแล้วก็รู้จักทั้งยายทั้งตาพอยายไม่ค่อยสบายก็พายายมาส่งที่บ้านของตา นาตาก็บอกเนี่ยถ้าเกิดใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจะมีโอกาสรู้จักคนเหล่านี้ได้อย่างไร ถ, ถึงเวลาเดือดร้อนนะใครก็จะมาช่วยเรานวตาก็เลยบอกหลานว่าเนี่ยอ ย, อ, อ, อย่าไปอยู่กับเครื่องอย่าไปอยู่คอมพิวเตอร์มากนะใ ห, ให้ใช้เวลากับคนบ้าง อย่างนี้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันทำให้เราอยู่กับคนน้อยลงอยู่กับเครื่องจักรมากขึ้นนะเพราะการที่เราอยู่กับคนน้อยลงเนี่ยในความเป็นมิตรมันก็เกิดขึ้นได้น้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยร่มเงาแห่งมิตรก็ค่อยๆผดหายไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําหรับสองเตือนใจคนสมัยใหม่นะว่าอินเทอร์เน็ตแม้มันมีประโยชน์นะแต่ว่าสิ่งที่มันทําให้ขาดหายไปจากชีวิตก็คือ มิตรภาพนะมิตรสหายนะซึ่งที่จริงแล้วก็สามารถจะเป็นร่มเงาได้แต่ร่มเงาแห่งญาติก็ ด, กดีร่มเงาแห่งมิตรก็ดีมันก็ไม่ประเสริฐเท่ากับร่มเงาแห่งธรรมนะร่มเงาแห่งธรรมธรรมนี่เป็นให้ร่มเงาให้ความสงบเย็นในกติใจได้ดีทีเดียวอาจจะ ไม่สามารถจะให้ร่มเงาทางกายได้นะอันนี้ร่มเนี่ยร่มที่เราถือติดตัวไปนี้อาจจะช่วยได้ดีกว่าแต่ถ้าเป็นเรื่องของใจแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่จะให้ความร่มเย็นกับจิตใจได้เท่ากับธรรมะธรรมะที่หมายถึงอะไรนะก็เริ่มตั้งแต่ศีลเลยเนี่ยคนเราเนี่ยถ้ามีศีลศีลในที่นี้ก็หมายถึง พฤติกรรมทางกายวาจาที่เป็นปกตินะไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะเนี่ยอย่าไปคิดว่าหมายถึงศีลห้าเท่านั้นนะหรืออย่าไปเชื่อหมายถึงศีลแปดเท่านั้น <c oughs> ความหมายรวมๆของศีล ค, คือพฤติกรรมทางกายวาจาที่เกื้อกูลนะเป็นเป็นกุศลซึ่งก็รวมถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยนะแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยเป็นแค่ศีลห้าอย่างเดียวเนี่ยถ้าเรารักษาไว้ครบถ้วนนะไม่บกพร่องเนี่ย มันก็ช่วยลดความเดือดเนื้อร้อนใจไปได้เยอะทีเดียวลองจินตนาการว่าถ้าเกิดเราผิดศีลสักข้อหนึ่งในห้าข้อเนี่ยความวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตก็จะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจทําให้กลุ้มหลกกลุ้มใจไม่ว่าจะไปศีลข้อนีดหนึ่งไปจนถึงศีลข้อที่ห้าแต่ถ้าเรามีศีลนะห้าครบถ้วนเนี่ยในการที่จะไป ทำความผิดพลาดที่จสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับตัวในภายหลังก็น้อยลงจริงถ้าเรามีความเอื้อเฟอื้อเผื่อแผ่โดยใช้รู้จักให้ทานนะการให้ทานนี่ก็จะว่าเป็นศีลอย่างหนึ่งนะมันเป็นเรื่องปฤติกรรมทางกายวาจาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของมันถ้าเราเมื่อเราให้ทานนะเราเอื้อเฟอื้อเกือ้อกูลผู้อื่นเราก็เย็นใจ แล้วก็เกิดความปิติปราโมทนะไม่จาเป็นต้องถวายทานนั่งกับพระนะให้สิ่งของกับคนที่ทุกข์ยากเดือดร้อนเราก็มีความอิ่มเอมใจนั่นก็คือนะความเย็นใจอย่างหนึ่งและที่จริงลมงอแห่งญาติลมเงาแห่งมิตรเนีย่ยมันเกิดขึ้นได้ก็เพราะน้ำใจนะเพราะความเอือ้อเฟือ้อเผื่อแผ่รู้จักให้ มีเพื่อนแต่ไม่รู้จักให้คิดแต่จะเอาอย่างเดียวเนี่ยร่มเงาแห่งมิตรก็ไม่เกิดขึ้นมีญาติมากมายนะแต่ว่าไม่เอื้อเฟือไม่มีน้ําใจกับเขาเลยนะก็อย่าหวังนะร่มเงาแห่งญาติร่มเงาแห่งญาติร่มเงาแห่งม่เกิดขึ้นได้เพราะความเอื้อเฟือเผื่อแผ่ความมีน้ําใจอันนี้ก็จับว่าเป็นเรื่องของศีลจากศีลแล้วก็คือสมาธินะ สมาธินี่ก็ไม่ได้หมายถึงการนั่งหลับตานะทาสมาธินะสมาธิในที่นี้หมายถึงคุณภาพจิตที่เป็นกุศลหรือว่าจิตที่มีคุณภาพได้แก่อะไรบ้างนะได้แก่ความเมตตาความเมตตาเนี่ยมันเป็นเรื่องภายในแต่ถ้าแสดงออกมาเป็นการกระทำเป็นความเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อันนี้เราเรียกว่าเป็นศีลนะแต่ว่าศีลความเอือ้อเฟอแผนเนี่ยมันก็ต้องมาจากภายในก็คือความเมตตากรุณาการให้อภัยนี่ก็สำคัญนะพอทราให้งอภัยไม่เป็นเนี่ยเราก็จะมีเรื่องรุ่มร้อนในใจมีความโกรธมีความแค้นเมื่อเห็นเมื่อรู้ คนอื่นดินทาเรานะต่อว่าด่าทอเราเอาเปรียบเรานะดูถูกเหยียดย้ำเราไม่ต่อหน้าก็รับหลังอย่างวิถุตระเนี่ยนะสร้างความหายนะ ก, กับผู้อื่นแล้วก็ทําให้ตัวเองพบจบจบก็เพราะว่าความไม่รู้จักให้อภัยนะถ้ารู้จักให้อภัยเนี่ยนะให้ความเดือดเนื้อร้อนใจเพราะความโกรธ นะความเกลียดความมาค่าพยาบาทมันก็ลดน้อยถอยลงไม่สามารถจะรังควานทำร้ายใจิตใจได้การรู้จักฝึกให้มีสติมีสมาธิอันนี้ก็สำคัญนะถึงแม้จะไม่มีใครมาเอาเปรียบเยียดเดียนเราอยู่ในบ้านที่อบอุ่น มีมิสหายที่เกือ้อกูลแต่คนจานวนไม่น้อยเนี่ยก็มีความรุ่มร้อนใจนะมันทุกข์เพราะความคิดฟุ้งซ่านเช่นไม่รู้จักพอนะหรือว่าวนคิดถึงแต่เรื่องราวแนดดีที่ทำให้เจบปวดโศกเศร้านะวางใจไม่เป็นเนี่ย แม้จะอยู่ในห้องแอร์จิตใจก็รุมร้อนนะอายุตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเวลารถติดเนะี่ยคนขับท้าทุกคนเนะ่ะจิตใจร้อนทั้งนั้นแหละทั้งที่รถ ท, ทุกคันก็ติดแอร์เปิดเพลงฟังแต่จิตใจร้อนเพราะอะไรนะเพราะใจมันวาวุ่นแทนที่จะอยู่กับปัจจุบัน ใจมันคิดไปข้างหน้าแล้วว่ารถติดจะติดนานเท่าไหร่เมื่อไหร่จะไฟแดงจะเป็นเป็นไฟเขียวบางทีก็คิดไปว่าเนี่ยเดี๋ยวไปสายที่ทำงานก็จะบน่นเจ้านายก็จะว่าหรือเพื่อนก็จ ะ, ะตาหนิเตจเตีดเด้ยเรานัดไม่เป็นนัดพอคิดแบบนี้นี่นก็งุดหงิดละกาย เย็นแต่ใจร้อนอันนี้เพราะไม่รู้จักนะทำสมาธิเออรถติดนี่มันจะติดก็ให้เป็นเรื่องของรถแต่จิตไม่ตกจิตไม่ร้อนก็จเจริญภาวานาตามลมหายใจไปหรือว่าเคาะนิ้วนะสร้างความรู้สึกตัวทำได้หลายอย่างทั้งจเจริญสติทั้งทำสมาธิก็ได้ สร้างความรู้สึกตัวในขณะที่รถติดหรือว่าหลับตาตามลมหายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะมันทำได้หลายอย่างเป็นการฝึกใจใจเราก็เย็นสินะทำงานทำการถ้าเราวางใจเป็นมันก็ไม่หนุดหนินไม่รุ่มร้อนถึงแม้จะมีอุปสรรคมากเพราะเราวางใจถูกนะถึงเวลาแม้งานจะเหนื่อยละทำให้ ใจเครียดก็ลองหลับตาทำสมาธิตามลมหายใจดูหรือระหว่างที่ทำใจก็อยู่กับปัจจุบันมีสติทำให้เราลึกรู้ไม่ไปนึกถึงอนาคตที่ยงมาไม่ถึงอะไรงานการที่มากมายค้างๆอยู่ก็รู้จักวางใครพูดไม่ถูกหูไม่ถูกใจนะก็รู้จักปล่อยรู้จักวางพอใจมันก็เพิ่มนะคุนเคืองอรู้ทันนะ ใ้การรู้ทันนี่คือรู้ด้วยสติมีสติรู้ทันใจกำลังขุนเครื่องพอรู้แล้วมันวางเองใจก็สงบได้สติสมาธิเนี่ยมันช่วยทำให้ใจเย็นได้แม้ว่ารอบตัวจะรุ่มร้อนผู้คนจะวุ่นวายอากาศจะอบอ้าวอย่างบางครั้งบางช่วงเนี่ย เรารู้สึกร้อนอ้าวลองสังเกตใจดูนะอากาศอ้าวรวใจเนี่ยร้อนไหมไม่ใช่แค่ร้อนกายบางทีเราปล่อยให้ใจนี่ร้อนไปด้วยหงุดหงิดนะคุนเครื่องบนในใจทำไมมันร้อนอย่างนี้วยไม่น่ามาเลยนะอั น, นั่นแหละพอไม่มีสติแล้วนะมันก็เลยบน่น แต่พอเรามีสติรู้ทันใจที่มันกระเพื่อมใจที่มันมหงุดหงิดนะพอ ร, รู้ทันนี่จันท์นกลับมาเป็นปกติได้เร็วากายร้อนอากาศหน้าแต่ใจเย็นใจสงบนี่ทําได้นะใจนะได้รับร่มเงาแห่งธรรมะอันได้แก่เมตตาได้แก่สติสมาธิอันนี้เรียกว่า ร่มเย็นเพราะทำฝ่ายสมาธิที่ดีกว่านั้นคือปัญญานะปัญญาเนี่ยก็เป็นเรื่องของใจนะแต่พุทธศาสนานี่ยแยกใจออกเป็นสองคือจิตกับปัญญาคำว่าใจนี่เป็นภาษาไทยเป็นคำรวมๆนะคลุมทั้งจิตและปัญญาไอ้ทำฝ่ายจิตนี่บางทีก็เรียกว่าสมาธินะปัญญาหมายถึงอะไรนะหมนะายถึง เบื้องตอง้นคือความฉลาดคิดนะหรือว่าการรู้จักคิดรวมไปถึงการเห็นความจริงเห็นว่าอะไรอะไรก็เป็นเรื่องธรรมดาเราจะมองก็ด้เอออากาศร้อนนี่ยังดีนะที่เราอยู่ในวัดมันมีร่มเงาร่มไม้ให้เราได้หลบได้พัก แล้โชคเดียวคนที่แก่้งคลอคนที่ในเมืองนะนั่นนีเขาไม่มีอะไรจะให้หลบเลย น, นอกจากเข้าไปในร้านที่ติดแอร์หรือว่ามองเอออากาศร้อนก็ดีนะได้ฝึกให้เราได้เจริญสติเราจะรักษาใจให้เย็นแม้กายจะร้อนได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นการไปเรื่องมุมมองแล้วเราจะมองเป็นธรรมดาก็ได้เป็นธรรมดา อากาศร้อนก็ธรรมดาความสูญเสียความพัดพรา่าความเจ็บความป่วยคนที่มีไม่มีปัญญาก็จะทุกข์ก็จะร้อนทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจแต่คนที่มีปัญญา เ, เห็นความจรงิงก็จะมองมันก็เป็นธรรมดาเตรียมใจไว้แล้วว่าไม่มีอะไรที่มันจะคงที่หรือคงทนนะทรัพย์สมบัติมันมมีอะไรสักอย่างที่มันจะอยู่กับเราไปได้ตลอด <Yeah. S 2> ในความปกติสุขของร่างกายเรามันก็เป็นสิ่งที่อยู่กับเราเพียงแค่ชั่วครั้งช่วคราวสักวันหนึ่งมันก็ต้องไปจากเราพอมันไปเมื่อไหร่ก็ป่วยบางครั้งมันกลับมาแต่มันก็กลับมารเร็วเดียวแล้วก็ป่วยอีกน็รู้ว่าความจะป่วยเป็นธรรมดาอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่นี่ยอภินาปจจเวอันนี้เป็นการ เติมจิตให้เราเติมปัญญาให้กับจิตใจของเรานะเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บกายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความเจ็บคข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องแพ้าดจากของรักของชอบใจทั้งนั้นแนั้นถ้าเราพิเเจารณาอยู่เสมอๆเนี่ยปัญญาเกิดนะคือมันเห็นเลยนะว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเรา ทั้งบวกและลบนะทั้งขึ้นและลงทั้งสุขและทุกเนี่ยมันเป็นธรรมดาพอเห็นเป็นธรรมดาแล้วเนี่ยเราก็เลิกบดเลิกโวยวายรวมทั้งการมีปัญญาเห็นนะว่ามันไม่มีอะไรจะเป็นของเรานะมันไม่มีอะไรที่ยึดเป็นตัวเราได้เลยแม่กายนี้ก็ไม่ใช่เราแม้จิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรา ถ้าเราเห็นนะจงกระทั่งรู้ว่าอสิ่งที่คิดว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันเป็นมายานะมันเป็นความหลงไปเองจนถึงขั้นปล่อยวางได้นะสูญเสียอะไรไปก็ไม่ทุกนะเพราะไม่มีความเื่อมันเป็นของเราอนะ่เจ็บป่วยก็ไม่ทุกเพราะไม่ได้คิดว่ามันเป็นร่างกายนี้เป็นของเรามเมื่อไม่ยึดมีอะไรที่เป็นตัวเรา ถึงเวลากายปวดนะก็เห็นก็รู้ว่ากายปวดนะมันไม่มีความสําคัญไม่หมายว่าฉันปวดนะคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลากายร้อนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เห็นว่ากายร้อนนะมันรู้สึกว่ากูร้อนกูร้อนเวลาป่วยเนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นว่ากายป่วยนะมันเกิดความสําคัญไม่หมายว่ากูปว่วยกูปว่วยแม้แต่เวลาปวดเมื่อยเนี่ย แทนที่จะเห็นว่าเออมันเป็นกายที่ปวดเป็นกายที่เมื่อยหรือว่าเห็นว่าความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นกับกายมันก็ไปคิดเมาเอาว่าเนี่ยกูปวดกูเมื่อยอันนี้แหละที่ทําให้ใจทุกข์นยเป็นความทุกข์ใจเพราะหลงหลงคิดว่ามีตัวกูของกูหลงยึดในตัวกูของกูเนี่ยถ้าจะเห็นความจริงที่นั้นเนี่ยมันต้องมีปัญญานะ มีปัญญาเห็นก็ทําให้หวางได้นะกายร้อนก็ร้อนไปนะใจไม่ทุกขนะ์กายเป่วยก็ป่วยไปใจไม่ทุกขนะ์มันจะเจ็บก็เป็นเรื่องของกายนะใจไม่ได้เจ็บด้วยนะอันนี้ก็ทําให้ใจเย็นนะกายป่วยจะเจ็บจะป่วยยังไงกายก็เป็นเรื่องของกายไปใจเย็นนะใจเป็นปกติจะสูญเสียทรัพย์นะ คือแม้แต่คนรักนะใจก็ยังเย็นได้ยังเป็นปกติได้อันนี้แหละเรียกว่าเป็นนะความสงบร่มเย็นแห่งธรรมเราต้องรู้จักต้องเข้าถึงนะความร่มเย็นอย่างนี้ให้ได้มันเะพราะถ้าเราไม่รู้จักนะเข้าไม่ถึงเนี่ยใจิตใจก็จะรุ่มร้อ น, นได้ง่ายๆตกอยู่ในความเสี่ยง มีอะไรมากระทบนิ่กระทบหน่อยก็หงุดหงิดก็ราคาญก็ทุกข์ก็โมโหหาความสงบหาความเย็นในจิตใจได้ยากแม้ว่ารอบตัวเนี่ยจะเต็มไปด้วยสิ่งเกลือกูลอยู่ในห้องแอร์อยู่ในครื่อหาะแต่จิตใจก็รุ่มร้อนเดี๋ยวนี้เนี่ยคนรวยหลายๆคนเนี่ยเขาก็หันมาเข้าหาสมาธิภาวนาผู้ที่ ใช้สมองมากๆเนี่ยในเมืองนอกนี่ยบริษัทใหญ่ๆที่ทำเรื่องเกี่ยวกับนะการพัฒนาปัญญาการใช้สติ ป, ปัญญาของคนก็หันมาฝึกให้พนักงานเนี่ยรู้จักสมาธิภาวนาะมันกลายเป็นอุตสาหกรรมแล้วเดี๋ยวนี้การเจริญสติการทำสมาธิอย่างในอเมริกานี่มันเงินสะพัดเลยนะ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเจริญสติเนี่ยเพราะเขารู้แล้วนะว่าจะมีเงินจะร่ำรวยจะสำเร็จอย่างไรนะมันก็ไม่ทำให้ใจสงบเย็นได้นะจนกว่าจะมีสติสมาธิทั่วปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้จักนะหาหรือสัมผัสกับความสงบเย็นอย่างนี้ได้ ร่างกายเรานี่ก็อาศัยนะร่มเงาองต้นไม้นะจึงจะสงบหรือว่าอาหายร่มร้อนแต่ถ้าใจนี่ต้องอาศัยนะร่มเงาแห่งธรรมนะพูดง่ายคือว่าเนี่ยเย็นกายด้วยร่มไม้นะเย็นใจด้วยร่มธรรมแล้วถ้าเรามีเรามีร่มแห่งธรรมติดตัวนะก็ไม่ต่างจากเราเดินไปไหนมา ไ, ไห น, ไไหนในที่โล่ง เราก็ไม่ร้อนเพราะเรามีร่มเป็งว่าร่มนี่มันไม่ได้คุมหัวนะแต่ว่ามันคุมใจเราเอาละชาติที่เขาพูดตอนนี้นะอกลับับ